เรื่องนี้เป็นอีกตอนหนึ่งของนายอุทิศนักเขียนนิยายรักเป็นตอนที่นายอุทิศได้รับความกระทบกระเทือนใจของเพื่อนซึ่งเหมือนเป็นเรื่องของตัวเองด้วยว่าเขาเป็นผู้รู้ผู้เห็นชีวิตของเพื่อนอยู่ตลอดเวลาในสุดท้ายเพื่อนรักได้มานั่งน้ำตาไหลาอาบหน้าอยู่ต่อหน้าเขา ผมนั่งมองสุธีที่นั่งร้องไห้อย่างน่าสังเวชใจอยู่ต่อหน้าผมภายในห้องของผมซึ่งจัดว่าเป็นห้องทำงานและห้องนั่งเล่นหรือห้องนอนรวมกันไปเท่าทียาดได้แบ่งให้เป็นสัสดส่วนของผมอย่าทรมานฉันเลยเธอร้องกล้องในหัวใจตลอดเวลาสุธีพูดแล้วร้องไห้ผมไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะพูดไม่ออกเพราะเห็นความอ่อนวงของเพื่อนน่าสงสารมาก เท่าที่เขาเอากระดูคุณสีนวลยอดสุดสวัสดใส่กระเป๋าเสื้อมาตระเวนกรุงครั้นเมื่อเขาเข้าบ้านที่เช่ารวมๆกับเพื่อนและบ้านนั้นได้สร้างมาเก่าแล้วจึงมีผีบ้านผีเรือนคุ้มครองอยู่เมื่อสุธีนำเอาผีนอกบ้านเข้ามาก็เกิดทะเลาะขัดแย้งกันขึ้นในระหว่างผีต่อผีซึ่งสุธีไม่รู้เรื่อง เมื่อสุธีหลับแล้วคุณสีนวลก็ต้องออกไปเร่ร่อนวนเวียนอยู่นอกบ้านรอเวลาว่าสุธีตื่นจึงจะเข้าบ้านได้แต่อุตสาทนมาหลายวันจนทนไม่ไหวจึงได้ร้องบอกกับสุธีว่าอย่าทรมานฉันเลยฉันต้องทรมานอยู่กลางหาวทุกคืนคุณสีนวลร้องไห้ขอให้สุธีเอากระดูก ข, ของเธอไปไว้อย่างที่เดิมที่วัดนกอ่างทองสุธีรู้เรื่องก็ตกใจและเสียใจที่สุด ที่จะต้องเอาของสุดที่รักของเขาไปไว้อย่างที่ที่ห่างไกลเมื่อหมดหนทางเขาจึงมาหาผมให้ช่วยแก้ไขปัญหานี้ซึ่งผมเองก็งงงันไม่ทราบว่าจะแก้ไขได้อย่างไรเพราะมันมีอยู่สองทางเท่านั้นทางที่1สุธีจะต้องหาบ้านใหม่อยู่ที่ยังไม่มีผีเรือนสิงอยู่ทางที่สองจะต้องหาเงินปลูกบ้านใหม่ของตัวเองแต่ทางสองนี้ผมรู้ดีว่าสุธียังไม่มีเงินจะทําได้ แต่ที่ดีที่สุดสะดวกที่สุดสุทีจะต้องเอากระดูกคุณสีนวลไปไว้ที่เดิมก่อนจนกว่าจะจัดการเรื่องที่อยู่ได้เรียบร้อยสุทีผมเรียกแกตัดสินใจเอากระดูกคุณสีนวลไปไว้ที่เก่าซะก่อนเถอะวะแล้วแกเนี่ยค่อยหาบ้านใหม่ที่ยังไม่มีผีเรือนเก่าอาศัยผมออกความเห็นได้อย่างนี้ตกลงฉันต้องห่างกับสีนวลเขาพูดอย่างน้อยใจอะไรอาวร ให้แกทำอย่างเก่าไปก่อนชั่วคราวเอากระดูกไปไว้ที่เก่าแล้วแกก็ไปเยี่ยมเธอบ่อยๆเอาแล้วก็ไปนอนค้างที่บ้านด้วยตามเคยการที่แกจะเอากระดูกมาตระเวนแล้วก็ทรมานเมื่อเวลาเข้าบ้านไม่ได้เช่นนี้ฉันว่าสงสารเธอเถอะวะเธอเองก็ไม่มีกรรมแต่อย่างใดแต่แกเองจะทำให้เธอมีกรรมทรมานเร่ร่อนอยู่ผู้เดียวอย่างนั้นการสงสารเธอนักการเองก็อยากจะร้องไห้กับเธอเหลือเกิน อย่าทำลายเธอเลยสุธีเอ๋ยเวทนาเธอเถอะสุธีเชื่อฟังผมดีเป็นอันตกลงจะเอากระดูกไปคืนที่เดิมแต่หน้าตาซีดเซียวเพราะความเสียดายพอถึงวันเสาร์วันหยุดราชการผมก็ต้องร่อนเร่ไปอ่างทองกับเขาตามเคยโดยที่ตัวของสุธีเองก็แอบไปวัดไปที่ที่เก็บกระดูกที่เดิมโดยไม่มีใครรู้ว่าเขาทาอะไรกับกระดูกคุณสีนวล ทั้งแอบเอาตีตัวไปและแอบเอามาคืนที่เก่านอกจากพระองค์หนึ่งที่ท่านช่วยเหลืออยู่ทางวัดเราได้นอนค้างกันที่บ้านเขาตามเคยพอถึงวันกลับหน้าตาเขาไม่ผ่องใสผมรู้ว่าเขาใจไม่ดีแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ขากลับผ่านอายุทยาก็แวะเยี่ยมคุณเกรียงหน่อยแล้วก็ลาท่านกลับกรุงเทพผมมาถึงบ้านได้รับจดหมายหนึ่งฉบับเป็นจดหมายที่มาจากนาครนายก พอเปิดอ่านก็ได้รับคําบอกเล่าของนายสักเล่าว่าวิญญาณของคุณขาวและคุณสมพรที่ไร่คอยรักชักจะวุ่นวายคือวิญญาณของคุณสมพรมาเข้าฝันนายสักว่าวิญญาณของคุณขาวหนีไปเกิดซะแล้วคุณสมพรจึงอยู่อย่างเดียวดายแต่ก็มีสุนัขซื่อสัตย์ของคุณขาวอยู่เป็นเพื่อนด้วยนายสักบอกว่าเธอมาเข้าฝันบ่อยๆและร้องไห้คิดถึงคุณขาวผมอ่านจดหมายแล้วก็คิดว่า มนุษย์ในโลกนี้ช่างยุ่งยากนักหนาตายแล้วก็ยังวุ่นวายอีกวิญญาณมารองให้คร่ำครววแก่ในศัก์เสมอในศักด์ก็ช่วยอะไรไม่ได้มีแต่ความกลัวสะทกสะท้านทุกคืนเรื่องนี้ถึงผมก็กลัวเพราะคุณสมพรไม่ใช่คู่รักของผมถ้ามาวนเวียนอย่างในสศัก์โดนเป็นผมผมก็แย่เหมือนกัน วันหนึ่งผมได้ไปเยี่ยมพระภิกษุนบที่วัดระฆังเพราะว่าตั้งแต่ท่านแนะนําให้ผมรู้จักกับพระภิกษุเกรียงแห่งวัดธรรมมิกราชอายุธยาแล้วผมก็ไม่ได้ไปเยี่ยมท่านอีกเลยมัวแต่ยุ่งอยู่กับเรื่องของสุธีเป็นส่วนมากเมื่อไปพบท่านแล้วท่านก็ถามทุกสุขและผลงานด้านการเขียนเรื่องของผมผมจึงเล่าเรื่องของสุธีให้ท่านฟังท่านฟังแล้วก็พยักหน้าพร้อมกับพูดว่ามันยังงั้นแหละโลกมนุษย์เราไม่มีอะไรสงบลงได้ วนเวียนยุ่งเหยิงตลอดเวลาทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และที่ตายไปแล้วก็ยังไม่จบคุณนพพูดด้วยความจริงของโลกมนุษย์ในวันนั้นบังเอิญได้รู้จักกับครูพยุงและคุณสมัยพอดีเพราะเขาทั้งสองมาชุมนุมกันที่กุฏิคุณนพเป็นประจำก็เลยได้ฟังเรื่องของสุธีที่ผมได้เล่าให้ฟังช่างเป็นรักที่มีอุปสรรคร้ายแรงจริงคุณสมัยพูดไม่ใช่รักธรรมดาทั่วๆไปถูกแล้วผมบอกรักกันแทบตาย แต่ก็จบลงอย่างน่าสลดใจอีกอีกคนนึงก็ตายไปแล้วอีกคนนึงที่อยู่ก็ต้องทรมานต่อไปผมชี้ให้เห็นถึงความอับเฉาเศร้าโศกของนายสุธีว่าจะทรมานไปนานแค่ไหนมันไม่จบหรอกคุณคุณนกพูดหนุ่มสุธีเพื่อนของคุณอุทิศจะต้องเจออีกหลายเรื่องเช่นว่าหนุ่มสุธีนี่อาจจะเกิดรักใหม่ขึ้นอีกเพราะว่ายังหนุ่มอยู่ทางราชการก็อาจจะรุ่งเรืองข้างหน้า S <S <an> เหตุไฉนหนจะมารักวิญญาณนั้นอยู่ได้จะยุ่งอีกหรือไม่ก็ตอนที่แม่ดวงวิญญาณเนี่ยไปเกิดหนุ่มสุธีจะตั้งสติไม่อยู่แทบจะเสียคนไปเลยถ้าเราพยายามรู้จักโลกซะว่าไม่มีความแน่นอนเลยก็อาจจะตัดใจทำความแกร่งให้แก่หัวใจตัวเองได้แต่ถ้าหากใครไปยึดเอาเป็นจริงเป็นจังนั่นก็คือความอ่อนแอของเราละ่ะสัญญากันด้วยคาพูดเอาอะไรกับมันมันผันแปรได้ทุกที่ทุกเวลา คุณนพพูดคาดการ์ล่วงหน้าเหมือนบ่นว่าโลกเราจะหาความแน่นอนที่ไหนไม่ได้เลยผมฟังแล้วก็หนักใจแทนนายสุธีของเราลงอยู่ในโลกนี้จะหนีความยุ่งเหยิงไปไหนก็ไม่ได้คุณนพย้าผมเผยถึงชีวิตของคุณขาวและคุณสมพรให้ฟังตั้งแต่ต้นจนลงท้ายและเล่าถึงซุ้มไม้เลื้อยดอกชูรักบนเนินเรือนหอรอรักที่มีชื่อไร่ว่าไร่คอยรัก ทั้งเรื่องของสุนัขผู้ซื่อสัตว์ที่ติดตามอยู่ตลอดเวลาและได้รับจดหมายจากเพื่อนแจ้งมาว่าคุณขาวได้หนีไปเกิดซะแล้ววิญญาณคุณสมพรจึงมารบกวนเพื่อนผมอยู่แทบทุกคืนด้วยความโศกเศร้าร่ำหามันก็ยุ่งอย่างฉันว่านั่นแหละคุณนกพูดรายนี้เหตุการณ์รุนแรงน่าสงสารหนักเข้าไปอีกครูพยุงพูดฟังจากเรื่องนี้แล้วอะไรอะไรก็ไม่ร้ายเท่ากับวิญญาณของฝ่ายชาย ต้องทนรอฝ่ายหญิงอยู่ครั้นวิญญาณผู้หญิงมาแล้วฝ่ายชายก็ทําลายตนเองเพื่อจะให้สมสู่ครองรักกันเพียงสองวิญญาณแต่ลงท้ายวิญญาณของผู้ชายกลับหนีไปเกิดปล่อยวิญญาณของผู้หญิงลอยเควนอยู่แต่ดวงเดียวคุณสมัยพูดอย่างเห็นใจมันยุ่งคุณนบพูดเอ้าก็ลองสิใครเกิดกล้าเกิดศรัทธาสงสารยื่นใจเข้าไปรักแทนวิญญาณฝ่ายชายเข้าก็อาจจะได้นะ แต่มันจะจีรังยั่งยืนไปกี่มากน้อยเดี๋ยวแม่ไปเกิดซะแล้วใครที่ลงทุนรักเข้าไปแล้วก็ย่ำแย่ตั้งตัวไม่ติดถ้าจะช่วยได้ก็ต้องแกล้งทำเป็นรักวิญญาณเธอเพื่อลวงให้เธอมีสุขไปได้บ้างครูพยุงออกความเห็นครูจะลวงผีเหรอคุณนพถามการลวงหลอกนะ่ะเราทำได้กับคนเท่านั้นเพราะไม่มีความรู้อะไรลึกซึ้งเท่ากับผีก็ลวงลอกกันได้ แต่เกี่ยวกับวิญญาณนะ่ต้องทำจริงๆตามแนวของไสยศาสตร์ทำด้วยใจจริงเป็นความจริงจึงจะเกิดความสาเร็จตามที่ตั้งใจไว้เรื่องทำหลอกๆเพียงกิริยานั้นไม่ได้ถ้าใจไม่จริงก็ใช้อะไรไม่ได้จะเกิดโทษอย่างมาหันทีเดียวนะคุณนบอธิบายผมคิดว่าเท่าที่ทำก็เพื่อช่วยเธอนั่นเองก็มีหลอกลวงบ้างครูพยุงค้านไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้คุณนบร้องความสาเร็จไม่ได้เกิดจากการทาเล่น ไม่มีอะไรสำเร็จในโลกนี่เป็นทางสยศาสตร์ต้องทำด้วยใจจริงประสงค์จริงจึงจะบรรลุผลการหลอกนั้นมันทำได้เฉพาะกับคนด้วยการที่โง่กว่าก็หลงลิ้นกันได้แต่นี่มันวิญญาณนะครูเพียงยื่นหน้าเข้าไปเท่านั้นแหละวิญญาณนั้นก็รู้ทันซะแล้วและถ้าเขาโกรธหาว่าดูหมิ่นเขาเขาจะกลับซ้อนกลเอาบ้างเราเองนั่นแหละจะตายกรรมอะไรของสัตว์มนุษย์ผมว่าแล้วก็ถอนหายใจยาว เราจะช่วยได้ก็แต่เพียงให้ความเห็นใจแล้วก็สงสารเท่านั้นจะจริงจังอะไรเข้าก็จะลำบากคราวหลังอย่างที่คุณนบพูดไว้แล้วถูกแล้วคุณนบว่าตัวคุณอุทิศเองก็มีกรรมนะเรื่องอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองย่างอุตส่าห์เป็นทุกข์เป็นร้อนไปกับเขาแม้จะไม่มีอะไรก็เที่ยวแสหาเรื่องเพื่อเอามาสร้างเรื่องรักตามหน้าที่อาชีพแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าพลอยฝังใจเข้าไปกับกรรมของเขานั้ น, น, น แล้น้ำตาเรียน้ำตาราดไปด้วยคุณโนบพูดแล้วก็หัวเราะเบาๆประกอบคำที่พูดไปเอ่อท่านครับคุณสมัยเอ่ยขึ้นเช่นวิญญาณของคุณสมพรนั้นน่ะจะต้องทรมานไม่มีวันเลิกวันจบเลยหรอครับโอ้เอาอะไรมาพูดวิญญาณนั้นจะไปเมื่อไหร่ก็ไปได้และวิญญาณทุกดวงก็ย่อมรู้ดีว่าจะคอยกันได้ไม่ช้านานมาก ที่วิญญาณของโยมผู้หญิงนั้นยังไม่จากไปก็เพราะว่ายังมีความอาลัยอาวรณ์อยู่ยังวนเวียนสิงสู่อยู่ก่อนจริงๆแล้วที่รวมวิญญาณของเขามีสมสรแห่งพวกกายทิพย์ฉันก็สงสัยนะว่าวิญญาณของคุณขาวเองเนี่ยจะเผลอตัวถูกดึงดูดไปเกิดแล้วก็เกิดอยู่ในที่ใกล้ๆนั่นเองวิญญาณคุณสมพรก็เลยยังอาลัยอาวรณ์ไม่อยากจะจากไปคุณนบว่า ขอให้พวกเรารู้ไว้ด้วยนะว่าคำว่าตายแล้วนั่นน่ะเป็นคำของคนเราเรียกคนที่หมดลมว่าตายแล้วคือร่างกายตายนิ่งเน่าเปื่อยแต่ว่าความเป็นจริงแล้วไม่มีใครตายเลยเพียงเปลี่ยนที่อาศัยใหม่เท่านั้นเรือนร่างเก่าเน่าเปื่อยก็ผละไปหาที่อาศัยใหม่ถ้ามีโอกาสเกิดก็เกิดไปเลยนั่นคือยึดที่อาศัยให้กับดวงวิญ ญ, ญาณได้แล้วถ้าหากว่าดวงวิญ ญ, ญาณ น, นั้นยังไม่ยอมจะไปเกิด ก็คงต้องลอยเร่ร่อนอยู่อย่างสบายๆ บ, บรมสุขหมดกังวลโดยทุกประการการที่ไปเกิดใหม่นั้นย่อมจะลืมเรื่องเก่าๆทั้งหมดเนื่องจากว่าเป็นวิญญาณที่ประจำของร่างกายใหม่ย่อมไม่มีของเก่าไปวุ่นวายในที่ใหม่ถ้าวิญญาณดวงที่ยังอาลัยอาวรณ์เรื่องเก่าๆอยู่ก็ยังไม่ยอมไปเกิดคุณนพอธิบายแก่พวกเราอย่างแจ่มแจ้งคุณสมัยได้ฟังเรื่องราวแล้วเกิดอยากจะเห็นไร้คอยรักขึ้นมา พูดกับครูพยุงว่าโรงเรียนหยุดพักร้อนอยากจะหาโอกาสไปเที่ยวพระพุทธบาทที่ไม่ใช่หน้าเทศกาลไหว้แล้วจะเลยไปเที่ยวลบบุรีด้วยตอนท้ายจึงจะไปน้ำตกสาริการและน้ำตกนางรองแล้วเลยไปที่ไร่ที่ว่าจะจัดหารถเที่ยวสักคันหนึ่งไปพร้อมกันได้หลายคนผมฟังแล้วก็ยินดีด้วยบอกกับคุณสมัยว่าจะคอยฟังข่าวเรื่องรถที่จะหาถ้าได้เมื่อไหร่ผมจะเป็นผู้พาไปเองที่ไร่ป่าแห่งนางรองนคร น, นายก จากวันนั้นอีกหลายวันผมฟังข่าวเรื่องรถที่กุติคุณนบอีกก็ได้ความว่าคุณสมัยจัดการนำรถเที่ยวกันขึ้นมีนักเรียนหนุ่มๆสาวๆร่วมทางและจัดรถกันได้แล้วแต่บังเอิญว่าคุณสมัยนอนฝันว่ามีใครมาเข้าฝันบอกว่าในขบวนการเที่ยวนั้นมีคนที่ชะตาขาดถึงคาดอยู่ 2-3 ส, สาคนจงงดซะมิฉนั้นจะเกิดอันตราย คุณสมัยบอกครูพยุงให้บอกเลิกกับนักเรียนเสียแล้วขอร้องอย่าให้เขาไปเที่ยวเลยส่วนคุณนบท่านก็ว่าดีแล้วการงดนำเที่ยวเสียได้เพราะโบราณถือว่าไม่ว่าจะทำอะไรถ้ามีผู้มาทักท้วงจงเลิกซะเถิดถือว่าความเป็นมงคลหมดไปซะแล้วถ้าจะไปเที่ยวจริงๆก็ไปกันเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นให้ในายมั่นจัดรถให้จะดีกว่า คุณสมัยและครูพยุงบอกว่าพวกนักเรียนชายหญิงและเพื่อนๆ เ, เขาที่อื่นไม่ยอมล้มเลิกกันนัดเที่ยวครั้งนี้ถ้าหากครูและคุณสมัยจะถอนตัวเขาก็จะไปของเขาเองคุณนบจึงว่าถ้าเช่นนั้นเราก็หมดปัญญาจะไปห้ามปรามเขาได้เพราะเราหาเหตุผลและหลักฐานอะไรจะห้ามเขาไม่ได้จะนําเอาเพียงเรื่องฝันไปเป็นข้อห้ามเขาจะหัวเราะเยาะ หาว่าเราคลั่งคล้ไหลหลงโชคลางทั้งทั้งที่เป็นเจ้าของโรงเรียนภาษาอังกฤษการจะไปก็ควรไปเฉพาะเราแต่ออกรถเลื่อนวันซะถือเอาเคล็ดทางโชคชะตาให้เขาไปก่อนหนึ่งวันจึงเป็นอันตกลงเตรียมตัวจะเดินทางได้โดยมีกำหนดนัดตามเวลานายสุธีขอตัวกับผมว่าราชการเขาไม่หยุดอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งสาอาทิตย์เขาจะขาดไปอ่างทองไปเยี่ยมสีนวลของเขาไม่ได้ ผมก็เลยเห็นใจเขาในเรื่องนี้ตกลงผมไปกับสโมสรวัดระฆังมีคุณสมัยครูพยุงนมั่นและเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งคุณนบท่านขอตัวบอกว่าเรื่องสนุกอย่างนี้ขอเป็นของคราวาสไม่ใช่เรื่องของสงค์ถ้าท่านไปจะทำให้คนอื่นสนุกน้อยลงเราก็เลยได้นัดกันชาวมืดที่หน้าโรงภาพยนตร์เฉลิมกรุงเป็นจุดรวมเมื่อเอาจริงเข้าก็มีแต่ผมคนเดียวที่มาคอยรถ นอกนั้นเขารวมพร้อมกันที่วัดระฆังและมาพร้อมกันหมดรถเราออกยังมีอากาศมืดตั้งจุดไปกินกาแฟเอาที่รังสิ์รถเราเลยสี่แยกสนามเป้าไปหน่อยก็สว่างคุณสมัยงัดเอาหนังสือพิมพ์เช้าขึ้นมาดูแล้วทำตาโตตกใจเอ๊ะคุณสมัยร้องครูครับดูนี่พูดแล้วแบนหนังสือพิมพ์ให้ครูพยุงดูถ้าจะพวกเราด้วยละมั่งครูพยุงร้องอย่างตกใจถ้าจะให้ผมทาย ผมก็ทายว่าคงเกิดเหตุร้ายขึ้นเกี่ยวกับอุบะะัติเหตุได้ความว่าพาดหัวหนังสือพิมพ์ว่ารถท่องเที่ยวชนกับรถกระบะบรรทุกหินอย่างประสานงาผมไม่อยากฟังเพราะว่ามันสลดใจดูว่าข่าวการตาย ม, มันมักจะเป็นข่าวประจำวันของบ้านเมืองเราเหมือนว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องเจอกันกับข่าวนี้ก่อนที่จะกินกาแฟเป็นประจาพวกเราตายคาที่สมคนบาดเจ็บอีกมาก ครูพยุงพูดอย่างหน้าขาวซีดผมเบื่อนหน้าไม่ฟังไม่ใช่ว่าไม่สนใจในทุกขของผู้อื่นนะแต่ว่ามันสลดใจนักคุณสมัยยกมือผนมท่วมหัวคล้ายขอบคุณสวรรค์หรือขอบคุณผู้ที่เข้าฝันให้รอดตายหรือบาดเจ็บเราหยุดกินกาแฟกันที่รังสิตและบ่นปรงอนิจจังถึงรถท่องเที่ยวคันที่ไปก่อนเมื่อวานผมกับนายมั่นสมัครใจที่จะดื่มสุรามากกว่ากาแฟใจนั้นก็นึกคิดถึงสุธีเหลือเกินผมมาทางนี้ เขาจะต้องไปอ่างทองแต่ผู้เดียวออกสงสารมนุษย์ที่ระงมอยู่ในกองกรรมไม่มีผมนั่งไปด้วยทั้งขากลับจะไม่มีวิญญาณสีนวลติดกลับมาด้วยระพบซากรถที่ประสานงากองอยู่ข้างถนนก่อนถึงหินกองดูยับเยินหน้าเสียวไส้ผมดูเพียงแวบเดียวแล้วก้มหน้ากลืนน้ำลายที่ตายคาที่ก็รู้แล้วรู้รอดที่บาดเจ็บป่านนี้คงนอนร้องโอดโออยู่ที่โรงพยาบาล เราหยุดรถที่สระบุรีกินข้าวกลางวันกันที่นั่นไม่ใช่หน้าเทศกาลพระพุทธบาททั้งรถทั้งคนก็เบาบางลงบ้างแต่ยังมีหน้ารำคาญแม่พวกขายสลากกินแบ่งที่ยัดเยียดขายให้ค่าอาหารย่อมเยาลงบ้างผิดกว่าเวลาเทศกาลไหว้พระมันช่างเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าในเวลาคลึกครื้นเช่นงานไหว้พระจะช่วยกันลดค่าอาหารให้เป็นราคาธรรมดาก็น่าจะดีเท่ากับส่งเสริมให้คลึกครื้นขึ้น ไม่เกิดเข็ขยะดในราคาแพงแทนที่จะทำให้ทุกๆคนติดใจไปกับของใหม่ๆความจริงไม่น่าเลยไม่ใช่ว่าหน้าเทศการทางราชการจะคิดภาษีอะไรเพิ่มก็เปล่าทั้งสิน้นร้านค้าตัวเคยอยู่ตึกแถวอย่างไรก็อย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะไปปลูกใหม่จะได้คิดค่าก่อสร้างบวกเข้าไปด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นผู้ซื้อก็เห็นใจไม่รังเกียจ แต่ที่นี่สระบุรีน่าเกลียดถือว่าเวลาจําเป็นของพวกที่ผ่านไปขูดรีดเอาดูไม่เป็นกันเองกับลูกค้าบ้างเลยรับประทานอาหารเสร็จแล้วเรามาแวะที่สวนพฤษศาสตร์ทางผ่านลงเดินเล่นและล้างมือล้างหน้าที่ทานน้ำไหลรินดูค่อยผ่องใสขึ้นเห็นเด็กหญิงชายท่องลำธารตามหมู่บัวเขาอ้างว่าหาฝากกินมันเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของกอบัวผมไม่ทราบ เขาว่าเอาไปทำอาหารได้มองดูก็สดชื่นรื่นรมตามธรรมชาติของชาวป่าตลอดลำห้วยเข้าไปลึกๆมีต้นโศกสาขาข้ามทานมีดอกท่งกลิ่นหอมเย็นเยือกใจลมพัดมาดอกโศกจะร่วงโปรยลงบนผิวน้ำในห้วยที่ใสยเย็นล่องลอยไปตามกระแสน้ำอย่างน่าใจหายทําให้นึกถึงพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่สองในเรื่องอีเหนา มีอยู่ตอนหนึ่งที่เป็นเพลงร้องไทยเดิมบอกว่าเห็นเล็บนางเหมือนอย่างเล็บน้องพี่ประคองเนื้อนวลเจ้าขวพัพี่เห็นโศกสาขาริมวารีเหมือนโศกโศกีระกำใจเรามาถึงพระพุทธบาทเวลาบ่ายเช้าเที่ยวตามที่ต่างๆที่ง่ายๆหน่อยมาเที่ยวไม่ใช่มาหน้างานก็เงียบเงาหน่อยพวกที่มาสนุกกันก็ดื่มกินกันไปชมอะไรกันไปพอสมควรไม่ถึงแก่จะทั่วทุกแห่งดี ขึ้นบนเฉลียงพระพุทธบาทแล้วก็ตีระคังรอบคล้ายๆเวลางานใจมันแว่วว่าถ้าผมมีรักเคยเดินตีระคังตามกันไปจนรอบแต่ว่าครั้งนี้ผมเดินตีอยู่คนเดียวเธอไปไหนซะเล่าคิดแล้วก้มหน้าเดินลงจากที่นั่นออกรถดิ่งลบบุรีเลยเที่ยวตลาดนิดหน่อยแล้วก็เข้าพระราชฐานของพระนารายมหาราชพวกที่สนใจทางประวัติศาสตร์ก็ดูทั่วทุวทกๆแห่ง ตลอดจนตึกทิมแถวของนางห้ามแห่งองค์มหาราชซึ่งติดตามมาบำเรอจากอายุธยาเมื่อดูกันแล้วก็บ่ายรถกลับไปยังพระพุทธบาทอีกเพื่อที่จะพักนอนกันที่นั่นผมพอจะคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่กองบัญชาการนิคมสร้างตนเองอำเภอรพระบาทพอจะอาศัยนอนได้ที่บ้านพักของกรมประชาสงเคราะห์เป็นบริเวณกว้างใหญ่ร่มเย็น สำหรับบ้านพักนั้นเรียกว่ามีห้องนอนแล้วก็ห้องครัวอีกทั้งก็ยังมีห้องซ่วมที่ทันสมัยดีผมได้พาพวกไปดูซากอิฐปูนของพระตำหนักพระเจ้าทรงรมที่ชายน้าทานกเกษมดูไว้เป็นความรู้ว่าเพราะพระองค์ท่านทรงสร้างพระบาทขึ้นจึงได้มีที่มาไหว้แล้วก็มีที่เที่ยวกัน ที่ห้องพักของเรามีห้องน้ำทันสมัยแต่ถ้าไม่ลงอาบน้ำในลำธารเกษมก็เหมือนไม่ได้มาถึงทานกเกษมผมเลือกลำห้วยตอนหนึ่งที่มีทั้งโศกสาขาและก็ไม้อื่นปกคลุมร่มเย็นต่างพากันแน่ใจเอาว่าที่ตรงนั้นคือที่ที่ท่านสุนทรผู้มาอาบน้ำร่วมกับหญิงชายผู้ตามเสด็จมาไหว้พระพุทธบาทตามที่ท่านสุนทรผู้แต่งนิราศไว้ว่าต้นโศกทอดยอดขวาง อ, อกกลางห้วย ที่ก็ช่วยผูกชิงช้าให้อาศัยพวกผู้หญิงชิงขึ้นให้ช้าไกวสนุกใจร้องเตือนให้เพื่อนโยนดูทำนองนางในไกวชิงช้าดังสีดาผูกคอที่โรโขนเทาวันเปาะเคราะาราที่สายโยนก็ขาดโหนลงน้ำเสียงต่าโครมผ้าห่มเปลืองเครื่องเล่นอลังช่างทั้งสองข้างผู้คนเขาห้าโหม พี่เหลียวแลลำทานหลวงเพียงสวงโสมให้แสนโสมสมนัตทัศนาตัวที่เราลงอาบน้ํากันนั้นจะใช่หรือไม่ใช่ที่ท่านสุนทรผู้กล่าวไว้เราก็สุดรู้เพราะว่าห่างเวลากันตั้งร้อยปีแต่ก็แน่ใจเอาเองว่าตรงนั้นคือที่ที่ท่านกล่าวก็สบายใจว่าได้อาบน้ําร่วมกับที่ท่านแล้ว ลอยคอไปดื่มกันพอสบายดีก็ถึงเวลาเย็นยำ่ำจึงขึ้นจากน้ำมาแต่งตัวที่พักแล้วก็ออกรถมาที่ตลาดข้างกองอำนวยการหาอาหารกินกันอย่างอร่อยอร่อยกินไปมองดูมิ่งไม้แล้วก็ขุนเขาวิเวกใจกลับมาที่พักก็เปิดไฟฟ้านั่งคุยนอนคุยกันตามสมัครใจใครชอบเรื่องพระก็ว่ากันไปใครชอบมิ่งไม้ขุนเขาก็ว่ากันไปแต่ว่าผมเนี่ยมักนิยมนิยายรักย้อนคิดไปถึงสุนทรพู เมื่อท่านไปนิราชพระบาทท่านตามเสด็จไปท่านก็จากคนรักไปดูกำลังจะกรดโกรธกันอยู่เพราะว่าทุกคำที่กล่าวไว้มักพูดถึงคนรักที่เศร้าส้อยสำหรับตำแหน่งที่ทานเกษมที่เราพักนั้นห่างวังที่ลานพระบาทมาถ้าเดินเข้าไปกลับก็พอเมื่อนิดหน่อยพระเจ้าทรงทําถือเอาว่าการที่ไปส่งน้าที่นั่นเป็นป่าลึกเข้าไปห่างไกลวังหน่อยดูก็น่าสนุก พวกสาวสวรรค์หรือว่าสาวกำนันนางในก็เตรียมกันวิไว้กลัวเสือกลัวช้างฝ่ายชายก็กระหึ่มใจจะเป็นผู้คุ้มครองเรื่องอย่างนี้มีผู้ตำหนิกษัตริย์โบราณว่าหาความเพลิดเพลินล้วนแต่เกี่ยวพันกับอิสตรีการตำหนินั้นไม่ถูกพูดแล้วก็ปากเสียจะทำตนเป็นผู้ปราศจากโลกีก็จงไปบวชเป็นพระเสียเถิดการเที่ยวชมป่าชมเขานั้นเป็นการเปลี่ยนที่เที่ยวเปลี่ยนอารมณ์เป็นการเที่ยวไกลบ้าน ถ้าไม่มีสตรีไปด้วยจะชี้ชวนให้ใครชมมิ่งไม้แล้วก็ชมโขดหินจะชี้ให้ผู้ชายด้วยกันดูกระนั้นหรือสำหรับชายผู้นั้นจัดว่าผ่านโลกมามากกว่าผู้หญิงจึงมีหน้าที่ชี้แจงแล้วก็ชวนให้หญิงชมจึงน่าชมถ้าผู้ที่มีหนวดอยู่ที่ริมฝีปากด้วยกันมาทำอวดรู้เป็นผู้นำกันมันก็ลักษะ เ, เท่านั้นฉะนั้นที่กษัตริย์ท่านนั้นทาก็ถูกต้องแล้วก็งดงามเหมาะสมตามกาละเทศะที่สุดแล้ว หากว่าเราตื่นเช้าเบิกบานใจในการที่ได้เปลี่ยนอารมณ์เที่ยวมานอนค้างในเขตป่าดงต่างเข้าห้องน้ำชำระล้างร่างกายแล้วก็เตรียมตัวกลับออกรถไปแวะที่ร้านอาหารที่ตลาดก็ดื่มเหล้าเล็กน้อยพอครึ้มใจเสร็จจากอาหารแล้วก็ล่ำลาเพื่อนผู้จัดการก็ให้เราได้พักพิงกันพอสมควร รถก็วิ่งกลับผ่านส่วนพฤช ศ, ศาสตร์ที่ร่มเย็นแล้วก็ผ่านสระบุรีผ่านทางเข้าพระพุทธฉายจนมาถึงหินกองก็หักเลี้ยวทางซ้ายพุ่งเข้านครนายกผ่านตำบลต่างๆไปโดยไม่แวะพอเข้าตัวเมืองนครนายกจึงหยุดรถที่ตลาดผมเคยแก่การดีจึงซื้ออาหารแห้งไว้เพื่อเป็นอาหารมื้อต่อไปที่บ้านพักในศัก รถวิ่งตรงไปที่สาริกาเราก็ได้คุยกันสนุกสนานการเล่นน้ำตกพอดูดื่มสุราไปอาบน้าไปตามประสาคนหมกมุ่นอยู่ในกรุงจะได้มาประสบพบเจอพอจุใจดีแล้วก็ขึ้นรถย้อนมาทางแยกเข้าทางน้ำตกนางรองแต่ก็ไม่เลยไป น, น้ำตกเลี้ยวเข้าทางไร่แดนสางทุกข์ของนายศักด์เพื่อนผมเขาเอะใจเป็นการใหญ่ที่เราไปโดยไม่ส่งข่าวผมบอกเขาว่าเรื่องอาหารไม่ต้องเป็นทุกข์ ผมได้แวะตลาดเตรียมมาแล้วอย่างไม่เดือดร้อนเราก็ตกลงกันว่าวันนี้เราจะเล่นน้ำกันที่น้ำตกสาริกาก็เลยของดเล่นน้ำที่น้ำตกนางรองไว้พรุ่งนี้ก่อนจะเดินทางกลับแล้วค่อยแวะเล่นกันก็ตั้งวงคุยกันที่คนมะม่วงบ้านนายศัก์สำหรับที่บ้านของนายศักด์นั้น ชั้นล่างจะลาดปูนราบเรียบพวกเราก็เลยคิดจะนอนกันข้างล่างให้สบายในสักของผมค้านว่าเตียงมีไม่พอถ้านอนข้างล่างจะต้องนอนเตียงการที่จะเอาเสือปูกับพื้นแล้วก็กางมุ้งครอบไม่เหมาะกับการนอนตามไร่ตามป่าเกรงจะถูกมดถูกงูเข้ามายุ่งก็เลยตกลงในเรื่องของการนอนของเราว่าเปลี่ยนเป็นข้างบนตามคาบอกของเจ้าของที่เพราะว่าข้างบนนีมีที่โปร่งหลายแห่งพอให้ลมกรกได้ พวกเราทั้งหมดเป็นที่สบายใจแก่เจ้าของบ้านทั้งเรื่องอาหารการกินแล้วก็เรื่องการนอนทําตัวได้ถูกกาลเทศะพอเห็นขุนเขาแล้วก็ป่าไร่ก็ถอดเสื้อกันทุกคนแสงแดดเนี่ยยังแข็งอยู่บ้างก็ไม่ร้อนดื่มเหล้าอย่างสบายใจสําหรับเพื่อนผมบางคนก็ทรงชุดอาบน้ําก็คือใส่ชุดอาบน้ําไทยนี่แหละก็คือใส่ผ้าเข่าม้าบางคนก็ใส่กางเกงแพรก็มีมะม่วงก็วิ่งไปเก็บ ไม่หล่นก็เอาไม้สอยจิ้มกับพริกกับเกลือบ้างกระปิหวานบ้างแกล้มเหล้าก็อร่อยกันไปคุณสมัยครูพยุงก็กระซิบกับผมอยากเห็นเนินขุนขาวแล้วก็ซุ้มชูรักในศัก์ก็พาไปดูอย่างที่นั่นบัดนี้รู้สึกว่าร่มรื่นกว่าครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าครั้งที่ผ่านมานั้นมันไม่มีแมกไม้อื่นมาคอยเพิ่มความชุ่มชื่น แต่ว่าตอนนี้มีแมกไม้อื่นมาเพิ่มความร่มรื่นแล้วก็มาช่วยบังแดดให้บ้างดูหน่าร่มรื่นดีพอมองเห็นเนินนั้นหูผมได้ยินเสียงเหมือนหมาเห่าออกมาจากใต้ซุ้มนั้นเบาๆแต่ว่าเท่าที่ผมได้ยินนั้นมันไม่ใช่การเห่าแบบดุร้ายแต่ว่าเป็นการเห่าเหมือนกำลังกระดิกหางทักทายผมชะงักหน่อยนึง แต่ว่าที่เนินนั้นก็โปร่งเตียนดีมีแต่ซุ้มชูรักเท่านั้นที่ปกคลุมข้างบนทําให้ร่มรื่นเนินดินนั้นบางแห่งก็เป็นรูปคล้ายกันกับหลุมศพคุณขาวแต่มันก็ราบลงไปเกือบไม่เป็นรูปแล้วผมเศร้าใจพี่กนเพราะรู้ว่าคุณขาวไปเกิดซะแล้วคงมีอยู่เฉพาะคุณสมพรเท่านั้นที่เวียนวนอยู่พร้อมกับเจ้าหมาผู้ซื่อสัตย์ เมื่อกี้มันเห่าผมจริงๆเสียงเบาๆพอรู้ว่าเห็นแล้วบนเนินนั้นร่มรื่นน่านั่งเล่นถ้าไม่รู้ว่าที่นั่นมีอะไรสิงอยู่คนอื่นที่ไม่ทราบซึ้งในชีวิตรักเขาก็มองมองดูเนินนั้นแล้วก็สุมชูรักนิดหน่อยแล้วก็ไม่เห็นว่าเขาจะมีปฏิกิริยาผิดแผกประการใดแต่ผมนะสิผมที่รู้ประวัติของเจ้าของเนินนี้หัวใจก็เลยวีเวกนัก น, นิจาคุณสมพรยังคงวงเวียนป่านนี้คงแอบแอบแล้วก็มองดูพวกเราอย่างยิ้มเศร้าๆอยู่ห่างการพูดคุยของผมเวลานี้ห่างลงเพราะว่าใช้สมองห ม, มุกมุนไปในเรื่องของเนินดินแล้วก็เจ้าหมาคู่ชีวิตของเจ้าของที่มากกว่าผมสะดุ้งใจวูบเมื่อสังเกตได้ชัดแล้วนั่นคุณหวานภรรยาพ่อศักของผมนี่กําลังตั้งท้องอ่อนเอเช่นนั้น วิญญาณคุณขาวก็อยู่ในท้องคุณหวานนี่เองไม่ได้ไปเกิดที่ไหนไกลผมมองแล้วคิดค้นแต่ว่าเหลือบตาไปพบต่างคุณสมัยว่ากำลังมองดูผมแล้วก็หันไปมองดูท้องคุณหวานคล้ายกับคุณสมัยจะรู้ทันผมว่ากำลังเห็นอะไรผมเลยพยักหน้ากับแกเป็นการรู้กันในๆคุณขาวไม่ได้ไปไหนเขาไปเกิดเป็นลูกของคุณหวานซะแล้ววิญญาณคุณสมพรก็จากไปทางไหนก็ไม่ได้ยังคงอะไรอาวร อ, อยู่อนิจจา ชังเป็นคู่กรรมกันโดยแท้ส่วนตัวของผมเองแล้วนั้นมีสันดานเป็นคนใจอ่อนพอนึกพอคิดอะไรสมเหตุสมผลน้ำตามันก็ไหลออกมาเองผมรู้ตัวจึงรีบเช็ดซะก่อนที่คนอื่นจะมองเห็นเฉพาะพูดถึงในแก่นจริงๆจึงจะตื้นตันเสียงคุณสมัยพูดชัดๆอยู่ข้างหูผมแบบเบาๆผมจึงรู้ว่าคุณสมัยเห็นอาการผมผมก็เลยหันไปพยักหน้ารับแล้วก็ต่างชวนกันเดินกลับบ้าน แต่กลับชวนคนอื่นๆเดินออกรั้วไปที่ลำธาร น, น้ําแห้งขอดผมอธิบายเรื่องของลำธาร น, นั้นให้ทุกคนฟังราวกับผมเนี่ยเป็นชาวไร่อยู่ที่นั่นความสงบเงียบของลำธารแห้งขอดก็ยังคงอยู่เช่นเดิมผมมองไปทางต้นน้ําซ้ายมือที่เคยเห็นวิญญาณของคุณขาวกับสุนัขที่เดินช้าๆในโพลโอเพลคครั้งโน้นก็รู้สึกใจหายเพราะผู้นั้นไปซะแล้วถ้าจะเห็นกันอีกเวลานี้ก็ต้องเป็นผู้หญิงเดินนําสุนัขแทนภาพเก่า ผมถอนใจสะท้อนเวลาค่อยเย็นย่ำลงไปเสียงสัตว์ต่างๆชักจะดังขึ้นจากทางด้านขุนเขาแล้วก็ป่าห่างออกไปในมั่นดูดปากเจี๊ยบว่าชอบใจนักเสียงนั้นมันกล่อมป่าร่างกายมันเป็นอาพรแห่งป่าเสียงมันเป็นดนตรีกล่อมวานาเรามาชุมนุมกันที่ชั้นล่างของเรือนตั้งล้อมวงที่พื้นปูนมีโต๊ะเก้าอี้พร้อม ครัวก็อยู่ชั้นล่างใกล้ๆกันวิ่งเข้าวิ่งออกส่งอาหารกันสะดวกดีพวกเด็กทาไร่ก็สนุกไปกับเราซึ่งเด็กทาไร่เหล่านี้ก็มีกระตอบเล็กๆเรียงรายล้อมตัวเรือนของนายต่างจัดการจุดตะเกียงหลายดวงให้สว่างเมื่อยามโผล่เพลงข้ามลงผมดื่มเหล้าแล้วก็วางแก้วจะหยิบเนื้อเค็มจิ้มน้ส้มก็พอดีเสียงสุนัขหอนไกลๆด้านเนินสุ้มชู้รักโน้นมันหอนเสียงโหยยาว เจ้าพวกหมาสองตัวที่อยู่ในบ้านเกิดสะดุ้งลุกขึ้นยืนหันหน้าไปทางทิศนั้นแล้วก็หอนรับกันมันเป็นอย่างนี้มาทุกย่ำค่ำแหละคุณศัก์พูดแล้วก็หวัวเราะกับพวกเราให้เห็นว่าเป็นของธรรมดาผมใจสะท้อนนึกไปถึงแม่เจ้าประคุณเฝ้าเนินซุ้มชูรักเธออยู่เดียวดายวังเวงและน่าสงสารคุณสมัยของผมเสียงสัตว์ป่า จ, จอแจเมื่อใกล้ค่าเงียบไปแล้ว คงเหลือแต่เสียงเรไรเจ้าของป่าริ่งระงมพวกเสียงสัตว์ป่าตอนกลางคืนถ้าจะมีก็คงไม่น่าฟังเช่นเสียงเสือบ้างช้างป่าบ้างแต่ว่าเวลานี้ยังไม่มีขึ้นมาเพราะว่าเสียงพวกเรานั้นดังอยู่จึงเป็นที่ยำเกรงแก่พวกมันอิ่มข้าวกันแล้วก็ขึ้นบ้านชั้นบนเลือกที่จะนั่งคุยนอนคุยกันต่อทุกคนเพิ่งจะรู้จักกับอากาศในป่าแม้จะเป็นหน้าร้อนก็ตาม ถ้าลงหมดแสงอาทิตย์แล้วก็มีความเย็นตามแบบของป่าทุกคนใส่เสื้อนอนได้สบายไม่ต้องหาพัดลมมากระพือเหมือนในกรุงเทพสมาคมของเราหาเรื่องสนุกมาคุยกันเฮฮาลั่นป่าทุกคนมีฤทธิ์ของสุราพอสบายพอราวๆสี่ทุ่มก็หลับกันพร้อมกับการเงียบเสียงผมกับคุณสมัยนอนมุ้งเดียวกันที่เฉลียงเรือนอากาศปโปรง่งดนตรีป่าเรไรระงมจนผมเพลินหลับไป เวลาที่เราไปกันนั้นเป็นข้างแรมเดือนขึ้นตอนดึกจะเป็นเวลากี่ทุ่มผมก็ไม่ทราบเสียงสุนัขในบ้านหอนเกรียวขึ้นผมสะดุ้งตื่นลืมตาขึ้นเห็นแสงเดือนข้างแรมสว่างอย่างสลัวสลวธรรมดาเท่าที่รู้อยู่ถ้าเดือนหงายยามดึกสุนัขทั่วๆไปจะเกิดเหงาใจก็หอนขึ้นแต่ผมไม่สังหอนใจนักจึงค่อยๆแง้มมุง้งมองลงไปดูข้างล่างอย่างไม่ตั้งใจว่าจะดูอะไรแต่ว่าทันใดนั้นผมสะดุ้งทั้งตัว ที่ห่างตัวบ้านออกไปตรงช่องทางเดินจะออกสู่ทางสัญจรทั่วไปมีหญิงคนหนึ่งยืนนิ่งดังรูปปั้นห่มผ้าคลุมไหล่ข้างๆตัวก็มีสุนัขตัวหนึ่งยืนอยู่ด้วยผมรู้ดีว่าผมกำลังเห็นอะไรและใครกันละ่ะแต่ว่าหน้าประหลาดตัวเองว่าทำไมความกลัวของผมเบาบางลงซึ่งธรรมดาผมเป็นคนกลัวผีมากคนเจ้าความคิดยิ่งกลัวมากกว่าคนธรรมดาที่ไม่ค่อยคิดอะไร แต่ผมจับได้ว่ามีความกลัวน้อยลงก็เพราะว่ามีความสงสารเวทนาอยู่หนาแน่นกว่าความกลัวเป็นเพียงเหนาลใจในยามดึกหญิงคนนั้นมองขึ้นมาบนบ้านผมสงสารสุดใจโถเอ้ยทนไปกว่าจะหมดกรรมนะเสียงสุนัขเงียบลงและภาพนั้นก็หายไปผมได้ยินคุณสมัยถอนใจย า, ยา ว, ยาวผมรู้ว่านั่นไม่ใช่เสียงคนหลับที่มักถอนใจยาวหรือว่าคนเมาเหล้ามกระบายลมของแอลกอฮอลออกมาเป็นธรรมดา เสียงคุณสมัยเป็นเสียงของคนตื่นผมก็เลยนอนนิ่งๆแต่รู้สึกว่าน้ำตามันไหลออกชุ่มหมอนกว่าจะหลับลงไปอีกก็ทอดหลังรู้สึกว่ายากเย็นใจมันลอยไปยังซุ้มชูรักนู่นทั้งสงสารแล้วก็ห่วงใยความรักหนอความรักความรักที่แท้จริงเป็นกรณีหนอวิญญาณคุณขาวไม่ได้ไปไหนเลยคุณขาวก็อยู่ที่คุณหวานนั่นเองเมื่อลองวิญญาณได้เข้าท้องไปแล้วก็ลืมเรื่องเดิมซะสิ้น คุณขาวกำลังฝังวิญญาณในร่างใหม่แล้วก็เป็นคนใหม่ไปแล้วไม่รู้จักคุณสมพรเลยแต่คุณสมพรสิยังจำอะไรอะไรทุกสิ่งได้ยังเต็มไปด้วยความอาลัยอาวรจะห่างไปไหนมีได้ไง่ายๆจึงยังคงวนเวียนอยู่แถวนี้หวังและมุ่งอะไรอยู่ข้างเดียวคุณสมพรเอ้ยผมช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยเพราะผมเป็นมนุษย์ได้แต่เพียงเห็นใจแล้วก็สงสารคุณสุดหัวใจผมจะคิดอะไรไปอีกแค่ไหนจำไม่ได้ คงหลับไปอีกในตอนหลังตื่นเช้าขึ้นมาพร้อมกันกันกบคนอื่นๆเสียงไก่ในบ้านพ่อสักขันกันกระจององแงยนกกาออกจากรังเสยงแซ่ตัวผมรีบลุกออกจากที่นอนแล้วก็ไปดูดบุหรี่อากาศเช้านี้สบายนักเสียงพึ่งแล้วก็แมลงผู้บินกันหึงหังไปหมดตามซุ้มดอกไม้ที่มีดอกไม้หอมหวนแมลงทับบินท่องเที่ยวสะเทือนดงจริงๆมันเป็นสัตว์เสียงหนักในเวลาบินร่อน เช้าวันนั้นมีแมลงทับหลายตัวเสียงจึงกระหึ่มไปหมดสะเทือนดงจริงๆอย่างในบทกวีที่ปราดท่านแต่งไว้และชื่อเสียงของมันนั่นเองเขาก็ตั้งให้มันตามสันดานของมันคือมันบินไล่ทับตัวเมียตลอดเวลาฝ่ายตัวเมียนั้นพอรู้ว่าตัวผู้บินมาทับก็ต้องหุบปีกก็เลยตกลงยอดหญ้าแล้วก็พื้นดินด้วยกันทั้งคู่ในมั่นดื่มเหล้ารับแสงอรุณนาคนอื่น ผมกับคุณสมัยก็ตามบ้างก็เลยเป็นโรคติดต่อกันไปหมดด้วยกันแม้แต่เจ้าของบ้านดื่มแล้วก็นั่งฟังสิงสาราสัตว์ต่างๆอย่างสบายใจแต่ผมกลับนึกไปว่าฟูงพึ่งฟูงนี้จะไปตอมดอกชูรักบ้างหรือเปล่าแต่ว่าดอกชูรักนี่มันไม่มีกลิ่นพึ่งจะตอมหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ถ้าดอกชูรักมีน้าหวานในเกสรพึ่งก็คงตอมแน่คุณสมัยดื่มเหล้าแล้วก็บ่นพึมพำออกมาว่าเมื่อคืนผมเห็นเธอ เขาพูดแล้วก็เบ่งหน้าไปทางไกลโพ้นครับผมรับทาแค่แค่นี้แล้วก็รู้แน่ชัดว่าเสียงถอนใจยาของแกเมื่อคืนก็คือแกตื่นอยู่ไม่ได้หลับแล้วเราก็คุยกันเรื่องอื่นเพื่อคอยเวลาอาหารเช้าจะมาถึงผมชวนพวกเราลงข้างล่างเพื่อจะได้ช่วยการครัวของเขาบ้างตามแต่จะช่วยได้ผมขอต้มโครงหัวปลาแห้งแต่คุณหวานบอกว่าหัวปลาหมดมีแต่ปลาสลิดแห้งก็เลยตกลงกัน ผมผลขึ้นต้นมะขามเตี้ยๆไปเก็บใบอ่อนๆมาให้คุณหวานทำต้มโคลงคุณหวานตำน้ำพริกป่าอีกชนิดคือใช้พริกขี้หนูแห้งตำกับปลากรอบปรุงเครื่องแล้วก็ลงผัดน้ำมันแล้วใช้ลูกอะไรผมเรียกไม่ถูกคือลูกมันคล้ายกับเมื่อเขือเทศแต่มีขนาดเล็กเท่าปลายนิ้วมือตำพอแตกแล้วก็คลุกผสมกับปลากับพริกมันอร่อยถึงใจจริงๆกินกับผักป่าต่างๆเจ้าเนื้อกระปองปลากระป๋องทาบเข้ามาไม่ติดกับอาหารป่า น้ำพริกป่ากับต้มโค้งปลาสลิดลอยร่อนเลยตอนสายๆก็เลยพากันไปอาบน้ำที่น้ําตกนางรองเราเตรียมนุ่งกางเกงอาบน้ำสไตล์ไทยไปเลยพอลงรถก็อาบได้เลยน้ำที่นี่น้อยกว่าที่น้ําตกสาริกาแต่ก็อาบเป็นที่ระลึกผมก็เลยลงลอยคอแล้วก็มองดูขุนเขาแล้วก็มิ่งไม้ใจตวัดไปถึงว่าถ้าคุณสมพรและคุณขาวมาอยู่ที่เมืองมนุษย์ ก็คงจะได้มาอาบมากินกันอย่างผาสุกในฐานะคู่ตัวผัวเมียแต่ว่าเธอกลับมาเมื่อเป็นวิญญาณแล้วก็หมดโอกาสที่จะได้เล่นน้าตกนี้พอเราอาบน้าเล่นกันพอสมควรแล้วก็กลับบ้านรับประทานอาหารกลางวันก่อนแต่อาหารเปลี่ยนไปจากเช้าคือเรากินข้าวเหนียวอย่างชาวอีสานกับเนื้อเค็มแต่มีแกงสดแกงนี้ผมไม่ศรัทธานักเพราะว่าเชื่อไก่ที่บ้าน ธรรมดาผมไปไหนมักขอร้องเจ้าของบ้านไม่ให้รุกรานผู้อื่นมาบำรุงความสนุกของเราแต่เจ้าของบ้านทำไว้แล้วก็เลยต้องจำใจกินทั้งกินทั้งคุยกันตกเข้าบ่ายมากจึงจัดแจงเก็บของลงกระเป๋าเตรียมตัวกลับเมื่อร่ำลากันเป็นการใหญ่แล้วก็ขึ้นรถผมมองไปทางเนินนูนแล้วก็ร้องบอกลาในใจอย่างมีอะไรอววรผมขอลาก่อนนะคุณสมพรลาไปด้วยใจสงสารแล้วก็ห่วงยย อยู่เถิดคุณผู้มั่นในรักอย่างควรบูชาผมจะพยายามเขียนเรื่องของคุณให้คนทั่วๆไปได้อ่านเพื่อรู้จักรักอันแท้จริงผมขอให้คุณจงมีความสุขขากลับเราก็แวะนูน่นแวะนี่แห่งละนิดละหน่อยพอเลี้ยวเข้าหินกองก็ตกเวลาพลเพลท้องเรายังอิ่มข้าวเหนียวอยู่ก็เลยจะไปกินอาหารเย็นที่ประตูน้ำพระอินเลย รถเราได้วิ่งผ่านซากรถที่ชนกันยับเยินเมื่อขาไปอีกครั้งแล้วก็ยังคงทิ้งอยู่อย่างเดิมแต่ว่าค่ําแล้วก็เห็นเพียงเงาตะคุ่มตะคุ่มทุกคนบนรถร้องเกลื้อพร้อมกันว่ายังอยู่ผมมองไปแวบเดียวแล้วรีบเบือนหน้าไปเสียทางหนึ่งขณะนั้นเองคุณสมัยโดดลงจากที่นั่งข้างๆลงมานั่งที่พื้นวางกระเป๋าแล้วเอากระเป๋ารองก้นนั่งคนที่นั่งข้างบนก็ร้องเอะอะให้ขึ้นนั่งอย่างเดิม แต่ว่าคุณสมัยบอกว่าง่วงกลัวจะชะโงกตกลงมาทุกคนก็หมดปัญหาแต่ผมสงสัยว่าคุณสมัยจะเห็นอะไรที่ซากรถนั่นพอแกเหลียวไปมองแล้วก็พลุนผันลงมาข้างล่างแกใช้ความฉลาดพูดไปซะอีกทางนึงรถมาจอดที่ร้านอาหารที่ประตูน้ำพระอินก็เฮกันลงรถครูครับคุณสมัยเรียกครูพยุงวีนากวักมือเมื่อกี้ที่ซากรถฮะครูพยุงร้องผมเกือบไม่ต้องถามว่าอะไรเป็นอะไร วีนาต้องเป็นชื่อนักเรียนของโรงเรียนครูพยุงแล้วก็ตายในคราวที่รถชนกันยับเยินนั่นเองแหมผมตกใจนะครับคุณสมัยพูดแล้วก็เริ่มดื่มเหล้ารวดเดียวหมดแก้วผมไม่อยากแล้วก็ไม่กล้าจะถามว่าทางโรงเรียนของครูพยุงตายไปกี่คนในคราวนี้เพราะถ้าถามแล้วก็มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจทับถมกันเข้าไปอีก จรงอยู่คนชื่อวีนาไม่ใช่ญาติแต่ก็เป็นลูกศิษย์ในโรงเรียนแต่ครูคนไหนล่ะจะไม่รักศิษย์ของตัวฝ่ายคุณสมัยไม่ใช่ครูแต่ก็เป็นผู้จัดการก็เท่ากับเป็นอาจารย์ผู้ปกครองจะไม่เสียใจและเศร้าใจไปนั้นเป็นไปไม่ได้และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของครูเหมเวชกรในตอนมนุษย์ผู้ยุ่งเหยิงนะคะก็จะเป็นตอนที่ ต่อเนื่องมาจากตอนของครูเหมเวชกรที่เขียนชื่อตอนว่าฉันคอยรักที่นี่นั่นเองนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยววันพฤหัสบดีหน้าค่ะเรื่องของครูเหมเวชกรในเล่ม ผู้มาจากเมืองมืดเนี่ยกำลังเข้มข้นกันเลยทีเดียวแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะสหรับเล่มนี้เดี๋ยวเราคงจะได้ขึ้นเล่มใหม่ในเดือนต่อไปแล้วล่ะนะคะก็คือประมาณสักกลางเดือนกันยายนะคะทีนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของเล่มอะไรชื่อเรื่องว่าอะไรก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะ สำหรับวันพฤหัสหน้าคุณผู้ฟังเราจะไปกันที่เรื่องบ้านเกิดไอ้เรืองค่ะซึ่งเรื่องนี้ เ, นเป็นอีกตอนหนึ่งของชีวิตไอ้เรืองพเนจรที่กลับไปเยี่ยมยายเจ็บหนักที่บ้านเกิดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามรับฟังให้ได้ห้ามพลาดแม้แต่ตอนเดียวนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตา ม, มารับฟังลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ